พวกเราได้ชื่อเป็นพุทธบริษัทนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าครอหัดก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในพุทธศาสนาแม้ไม่ได้อยู่วัดนะอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดศาสนา เราก็ควรจะรู้จักสิ่งที่เป็นตัวแก่นตัวแกนของศาสนาอะไรคือแก่นแท้หรือแกนกลางของพุทธศาสนาหลายคนก็นึกถึงคาว่าธรรมะแต่ที่จริงแล้วยังยังไม่ครบนะยังมีอีกอันหนึ่งที่คู่กันกับธรรมะก็คือวินัยธรรมะ กับวินัยอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นแกนเป็นแกนของพุทธศาสนาสมัยก่อนนี่ไม่ได้ใช้คำว่าพุทธศาสนานะเขาใช้ว่าธรรมวินยัยคําว่าธรรมวินัยนี่เป็นคําเรียกแทนพุทธศาสนาอย่างอ่านในพระไตรปิฎกบางทีก็จะเจอบวลีที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้นะ พิสูจในธรรมวินัยนี่ก็คือพิสูจน์ในพุทธศาสนานี้นั่นแหละคําว่าธรรมวินยัยนัคือตัวแท้ตัวแก่นตัวแก่งของพุทธศาสนามัธรรมะก็คือคําสอนเกี่ยวกับความจริงที่ พ, พุทธเจ้าได้สองคนพบนะก็หลงดึงความดีด้วย ความดีที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดและชักชวนให้ปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องการทำความดีแล้วก็เห็นความจริงส่วนวินัยนี่ก็เป็นเรื่องของข้อกำหนดแบบแผนที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไวใ้ให้เราได้ปฏิบัติ คำว่าเรานี่ก็รวมทั้งพระทั้งโยมมันนะแต่ว่าเวลาพูดถึงวินยัยเราก็มักจะนึกถึงพระเป็นเป็นเป็นหลักเพราะว่ามาีมีการพูดถึงวินัยของพระเยอะหน่อยนะเช่นเราเรียกว่าสองสิขาบทสองร้ข้อนี้ที่จริงคารวะก็มีนะเรียกขี่ ih วินยัย ที่หีบวินัยนี่ก็หมายถึงวินัยของครื่อหัตนะก็ไม่ใช่สี่ห้านะสี่ห้ามันน้อยไปมันมีอยู่ประมาณ14ข้อนะก็คือเรื่องของการาทำปฏิบัติให้ถูกต้องนะก็คือสีข้อ1นข้อ2อข้อสมข้อ่ไม่รวมข้อ5นะ แล้วก็รวมถึงการลดละห่างกาจากอคติสแล้วก็อบายามุกด้วยอบายามุกหกนะก็เป็น14จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วเราไปนึกว่าวินัยมีแต่กับของพระเท่านั้นอันนี้วินัยกับธรรมะเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าวินัยนี่ เราเน้นที่อาการกิริยาภายนอกจะถูกหรือผิดก็อยู่ที่การแสดงออกภายนอกเช่นวินัยของพระบอกว่าพิสูุดื่มน้าําเมาต้องปาจิตตีพิสูจนชันอาหารในเวลา ว, วิการต้องปาจิตตีดื่มน้ําเมานี่รู้ไม่รู้ว่าเป็นน้ําเมาก็ผิดนะนะบางทีไม่รู้เน ไ, ไม่รู้ว่าเป็นน้าําเมาชันก็้าไปก็ผิดเลยอาการมันบอก ดูจากภายนอกเหมือนกับคารถฝาไฟแดงนะคารรถฝาไฟแดงนี่เหตุผลจะมีอะไรก็แล้วแต่มันไฟแดงก็ผิดทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าอาจจะกำลังพาคนท้องไปโรงพยาบาลแต่ไฟแดงก็ผิดเลยนะพิสูจน์ฉันอาหารดังสู้ๆดังจับๆหรือว่ามือเปื้อนจับภาชนะน้ำนะเหตุผลจะมียังไงก็ผิดแหละ ยกเว้นบางข้อที่บอกว่าอนุญาตให้ถ้าไม่เจตนาก็ได้เช่นพิสูจนแกล้งทำให้น้ำผสมจีเคลื่อนทําไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเจตนาถึงจะผิดอันนี้มีเรื่องเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ส่วนอยางารวินัยนี่มันเป็นเรื่องของการแสดงออกภายนอกนะดูแค่นั้นแหละไม่ได้ดูไม่ได้ดูข้างในไม่ได้อยู่เจตนาไม่ได้ดูเหตุผล แต่ธรรมะนี่อ่อีกอย่างหนึ่งนะธรรมะนี่ถึงแม้จะเป็นเรื่องการแสดงออกภายนอกเช่นทานหรือศีลการให้ทานนะหรือว่าการรักษาศีลเนี่ยมันจะเป็นธรรมะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดอูที่ข้างในด้วยนะดูที่เจตนาดูที่การวางใจดูที่ความคิด ประกอบกันด้วยอย่างเช่นการให้ทานนี่นะถ้าคนที่ให้ทานด้วยด้วยเจตนาที่จะอวดให้คนเห็นว่ า, าฉันเป็นคนใจบุญอันนี้นี่จะได้บุญน้อยกว่าคนที่ให้ทานด้วยเจตนาที่หวังประโยชน์ของผู้รับนะ ไม่ได้หวังอะไรเข้าตัวเลยหรือว่าทำบุญเพราะว่าอยากรวยอยากมั่งมีอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากไปสวรรค์ก็ได้นะอันนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่ายัางได้บุญน้อยกว่าคนที่ทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยหรือว่าต้องการ ไม่ใช่หวังจะได้แต่ว่าต้องการลดละอย่างเช่นภาษาริบุตรได้เคยกล่าวไว้ว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปธิสุขอุปธิสุขก็คือโลกิยสุขนั่นแหละอายุวันณสุขาภล ะ, ะความสําเร็จนะหรือว่าความมีโชคมีลาภนี่แล้วอุปธิสุขบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปธิสุขหรือว่าหวังการเกิดคือเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นคนรวยไปเกิดเป็น เทวดาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตแต่บัณฑิตให้ทานเพราะหวังเพระมุง่งลดละกิเลสและการไม่เกิดก็คือนิพพานอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของอความตั้งใจหรือเจตนาข้างในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกบางคนทำบุญเยอะนะให้เงินเป็นแสนให้เงินเป็นล้าน แต่อาจจะได้บุญน้อยกว่ายาจกที่ถวายแค่ข้าวหนึ่งปั้นไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะถวายก็ถวายข้าวหนึ่งปั้นแต่ว่าถวายด้วยเจตนาหรือศรัทธารุนล้วนนะไม่ได้อยากจะได้อะไรเลยไม่ได้อยากจะถูกลอตเตอรี่ถูหัวรวยเบอร์หรือว่าให้คนอื่นชื่นชมสรรเสริญอย่างคนที่ถวายเงินเป็นล้าน10ล้าน หรือถวายเงินทำบุญผ่านโทรทัศน์นะให้เงินสิบล้านแต่ได้บุญน้อยกว่าคนที่ให้หรือถวายข้าวเพียงปั้นเดียวหรือว่าเงินแค่หนึ่งบาทเพราะอะไรเพราะว่าใจหรือเจตนาข้างในมันต่างกันนะจะไปดูข้างนอกไม่ได้นะมันต้องดูข้างในนะถึงจะครบถ้วนบางคนไม่เข้าใจนะเวลาจะ ไปเข้าใจว่าจะต้องทำบุญเยอะๆถึงจะได้บุญหรือว่าต้องเป็นคนถวายอาหารเองต้องเป็นคนถวายถวายผ้าเองถึงจะได้บุญเคยมีคนมาถามว่าตัวเองนี่ไปจัดทอดกระถินนะแต่ว่าเวลาถวายผ้าเนี่ยเนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงก็ต้องให้สามีเป็นคนถวายเขาก็ถามว่าตัวเองจะได้บุญไหม จริงๆอย่าว่าแต่คนที่ไปเป็นเจ้ากิ้เจ้าการเป็นหัวหน้าจัดทอนกรินเลยแม้เป็นแค่คนภายนอกแล้วก็เห็นแล้วก็นุโมทนาด้วยแค่นุโมทนา น, นี้ก็ได้บุญแล้วนะถึงแม้ไม่ได้จะไม่ได้ถวายเงินซักบาทไม่ได้มีเสาร่วมในการจัดหรือไม่ได้เป็นผู้ถวายประเคนด้วยตัวเองไม่ได้ให้เลยซักบาทเลยแต่ว่าก็ได้บุญอาจจะได้บุญมากด้วยถ้าหากว่า เป็นการอนุโมทนาด้วยเจตนาที่มีศรัทธาหรือว่าจริงใจบญชนิด น, นี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ในพระไตรปิฎกเล่าถึงเทวดาที่ได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะว่าอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำอย่างเช่นเพื่อนของนางวิสาขานางวิสาขานี่รวยมาก ถวายปราสาทราคาหลายเรยว่าหลายแสนโกรธเลยแล่ะแต่ว่าเธอนางคนนี้นี่ไม่มีเงินนะหรือเงินไม่ถึงก็ได้แต่อนุมโมทนาที่นางวิสาขาได้ถวายทานถวายวิหารทานพอตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ที่มีรัศมีเจรจญรัก อันนี้จะเห็นได้ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยทานเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสําคัญนะอยู่ที่ใจใจที่บริสุทธิ์ใจที่มีศรัทธาใจที่ไม่มีกิเลสเจอือปนหรือว่ามีน้อยสมัยนี้นี่ถึงแม้จะให้ทานกันเยอะให้ทานกันมากแต่ถ้าหากว่าทําด้วยใจที่มีกิเลสอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายนะเข้าตัว เช่นเงินทองโชคลาภความสำเร็จชื่อเสียงอันนี้จะจะได้บุญน้อยนะผู้เจ้าก็สอนไว้แล้วว่าฐานที่เหมือนนิสงน้อยคือฐานที่ให้ด้วยใจที่มีใ่ใหญ่ให้ด้วยจิตที่ผูกพันให้ด้วยหวังสั่งสมบุญหรือหวังสวยสุดในภพหน้าะพวกนี้นี่เรียกว่ามีเจตนาที่เจือไปด้วยตันหาหรือกิเลสทั้งนั้น ก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยถึงแม้ว่าของที่ถวายจะเยอะจะมากนะหรือว่าเป็นเจ้ากี้เจ้าการแต่ว่าบุญอาจจะน้อยว่าคนที่ให้ด้วยเจตนาที่มุ่งประโยชน์ของผู้รับจริงๆหรือมุง่งลดละขัดเกากิเลสของที่ถวายจะน้อยนะแต่ว่าได้บุญเยอะเศียก็เหมือนกันนะสศีนเนี่ยนะ การกระทภยัยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำภายนอกเช่นเดียวกับทานแต่ว่ า, าสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือเจตนาด้วยางคนที่รักษาศีลด้แต่ว่ า, อ, าอย่าให้คนสรรเสริญให้คนชื่นชมว่าเป็นคนมีศีลไม่ว่าจะเป็นศีลหน้าศีลแปดนะหรือว่ารักษาศีลเคร่งครัดในศีลเพื่อจะได้ไป มีโชคมีลาภในวันข้างหน้าหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์การาการรักษาศีลช น, นิดพร้พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศีลพระตปรามาฏอย่างหนึ่งศีลพระตปรามาฏนะที่มักจะแปลว่าลูกคลมัมศีลที่จริงมันหมายถึงว่าการถือศีลที่มันเจอโดยกิเลสเจอด้วยตัณหามานะทิฏฐิ ปรามาแปลว่าแปดเปื้อนนะคือมันไม่ใช่สะอาดขาวรอบบริสุทธิ์แต่ว่ามันแปดเปื้อนได้กินเลยการรกษาศีลอย่างนี้เนี่ยก็ดีนะดีกว่าไปผิดศีนแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ดีที่สุดนะยังเป็นศีลพัตต์ปรามาสนะยังไม่ใช่เป็นอริยาการตะเสือศีนี่พรยาเจ้าสารเสร์นะหรือว่าพอมีศีนแล้ว เครื่งครันในศีลแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่ามีศีลต่ำกว่าตัวเป็นคนที่ศีลพร่องไม่สะอาดสู้ชั้นไม่ได้นะั้นบริสุทธิ์อันนี้ก็เรามีมา n ะถือศีลด้วยมานะก็บุญก็ได้น้อยนะเป็นอุปสรรคในการเจริญในธรรม แต่ถ้าหากว่าถือศีลโดยที่มีเจตนาที่มุ่งลดละขัดเกลารนะ์ต้องการเอาชนะกิเลสนะความชิงแกตัวแล้วก็ไม่ได้ดูถูกคนอื่นที่เขาถือศีล น, น้อยกว่าตัวเองนะเพราะก็เห็นว่าเออเขาก็มีความดีที่เราควรเรียนรู้จากเขาก็เรียกว่ากิเลน้อยอัตตาน้อยมานะน้อยอันนี้ก็จะได้บุญมากกว่า มันบางคนถือศีลห้าแต่ว่าถือศีลด้วยเจตนาที่ที่มุ่งลดละนี่อาจจะได้บุญมากกว่าคนที่ถือศีลแปแต่ว่ามีมานะสูงหรือว่าทําด้วยกิเลสอ้าดูข้างนอกนี่คนที่ถือศีลแปก็ถือว่าดีกว่าคนที่ถือศีลห้านี่ถ้าดูจากภายนอกแต่นั่นเป็นสายตาของชาวโลกแต่ว่าในแง่ทางธรรมแล้วนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันอยู่ที่ข้างใน อยู่ที่ข้างในใจเดี๋ยวนี้เราไปเน้นที่ภายนอกกันเยอะนะภายนอกในนี้ก็รวมไปถึงพิธีกรรมด้วยพิธีรีตองเช่นจัดถวายทานก็ต้องมีการก่าวคำถวายให้ถูกต้องการกาวคำถวายก็ดีนะก่าบคาถวายสังกทานแต่ถ้าก่าวไม่เป็นท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าทานที่ถวายก็สำเร็จแล้ว อย่าไปทุกข์ใจว่าโอ๊ยฉันถวายทานฉันกล่าวคําถวายทานไม่ได้นี่ฉันจะได้บุญน้อยคิดแบบนี้ก็มีนะจะได้บุญน้อยเพราะกล่าวคําถวายทานไม่ถูกหรือว่าจะรักษาศีล น, นะรักษาศีลนี่ก็ต้องมีคนให้ศีลต้องมีกล่าวคํำรัตนาถ้ากล่าวไม่เป็นไม่มีพระมาให้ศีลก็ถือศีลไม่ได้อันนี้ก็ผิดแล้วนะเพราะศีลนี่เป็นเรื่องของการสมาทานเป็นเรื่องของเจตนา ไม่มีใครให้ศีลไม่มีพระให้ศีลเราแค่ตั้งใจเจตนานะก็สำเร็จแล้วหรือว่าอยากจะมีพิธีกรรมก็ก็กล่าวคำรับศีลต่อหน้าพราะพุทธรูปก็ได้แต่ถึงไม่มีแค่ตั้งใจว่าจะทาว่าจะรักษาศีลก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะอยู่ที่เจตนานะอยู่ที่คุณภาพจิตข้างใน อย่าไปอย่าไปเน้นที่อย่าไปดูที่ภายนอกถ้าไปดูที่ภายนอกมันเป็ น, ปนศีล ร, รตาปารมาสอย่างเช่นเดนี้ร์ก็มีความเชื่อว่าไปต้องไปถ้าไปทำบุญก้าวััดไปสังเวยชินสถานที่ประเทศอินเดียถึงจะปิดอบายปิดอบายคือว่าตายไปแล้วไม่ตกนรกไม่ไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไปเป็นศีลปตาปรามาสแบบหนึ่งเพราะว่าเป็นเน้นที่รูปแบบการกระทาภายนอกถ้าไปแล้วทำบุญกาวัดแล้วกิเลสไม่ลดไปสังเวยชีสถานแล้วกิเลสไม่ได้ไม่ได้ลดลงกลับเพิ่มขึ้นมันจะปิดอบายได้อย่างไรหรือไปกลับมาแล้วทำชั่วหนักกว่าเดิมเช่นไปกินเหล้าไปคอร์รัปชันไปเป็นชั่วคนอื่น ไปโกงเงินเขานะไม่ว่าจะไปกี่ครั้งแต่ถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ยังพึงพฤติกรรมแบบนี้กิเลสหนานะตันหาเยอะแบบนี้ยังไงก็อัปปตัอบายก็อาจจะเปิดนะเปิดรับทันทีที่ตายไปเลยก็ไดนะ้ปิดอบายนี่มันมีแต่พระอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแหละที่จะเรียกว่าปิดอบายปุตุชน ตราด้ที่มีกิเลสอยู่ไม่ว่าจะไปทําบุญร้อยแปดบาทหรือว่าไปสังเวยชัสถานปีละหครั้งหครั้งก็ยังนะก็ยังนี้ไม่พ้นอบายยังเสี่ยงต่ออบายอยู่เพราะกิเลสยังมีเนีจะไปดูที่ภายนอกต้องดูที่ภายในใจกิเลสลดลงไหมปัญญาเกิดขึ้นไหมนะปัญหามาน่ที่ติดลดลงไปหรือเปล่าธรรมะดีดูตรงนี้นะ ไม่เหมือนวินยัยวินัยนี่ดูข้างนอกแต่ธรรมะนี่ดูที่ข้างในด้วยนะสำคัญมากทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็เช่นเดียวกันนะมันต้องดูที่ข้างในนะอย่าไปดูที่รูปแบบบานะงคนไปเข้าใจว่าภาวนานี่ต้องเดินจงกรมนะต้องยกมือสร้างจังหวะต้องปิดตาตามลมหายใจอันนั้นเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบศีลทางานอยู่ที่การวางจิตวางใจวางใจเป็น นะบางคนยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมแต่ปล่อยใจลอ ย, นะอยคิดน่นคิดนี้นั่นก็ยังเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือทาความเพียรไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าอาจจะทำเพื่ออวดให้คนรู้หรืออาจจะทำเพื่อได้รางวัลอย่างเช่นเด็กบางทีก็หรือผู้ใหญ่ก็ตามาทีงทีทำให้แม่เห็นทำให้ผู้ปกครองเห็น จะได้รางวัลไอ้เงี้ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วถึงแม้ว่ารูปแบบมันจะเป็นการยกมือสร้างจังหวะหลับตานะหรือว่าเดินจงกลมแต่ใจนี่มันไม่ได้คิดจะมีสติรู้สึกตัวกับอิริเ บ, บรการเคลื่อนไหวเลยใจนี่นึกถึงแต่รางวัลที่จะได้เช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าสถานที่ที่พ่อแม่จะพาไปเที่ยวไย่างี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วนะ ตรงข้ามคนบางคนก็อาจาจะไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมแต่ว่าเขามีสติรู้และลึกรู้ในสิ่งที่ทําไม่ว่ากินข้าวไม่ว่าเดินไม่ว่าถูฟันหรือว่าล้างจานะหรือแม้แต่ก็พูดคุยก็พูดคุยอย่างมีสตินะอันนั้นจะยังเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมนะหรือแม้แต่เวลานอนนะบางคนนอนนะนอนก็อาจจะเป็นการปฏิบัติได้นะ ไม่ใช่ว่าอนอนนี่จะไม่ใช่การปฏิบัติสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสนะว่าบุคคลที่ยืนก็ตามนั่งก็ตามเดินก็ตามนอนก็ตามนะหากว่ามีจิตเนี่ยมีการมววิตกนะการวิตกก็คือว่ามีความนึกคิดในทางกามในทางราคะ มีเพยาบาทวิตกก็คือความมุ่งร้ายความนึกโกรธเครืองใครก็ตามหรือว่ามี อ, ว, อวิหิงสาวิตตกก็คือความคิดมุ่งร้ายอยากจะแกล้งอยากจะทําลายอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเมืเ่อใดก็ตามที่มีความความนึกคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะไม่เรียกว่าสลัดวางความคิดนั้นถ่ายถอนจิตออกจากความคิดนั้นหรือว่า ความดำํำริเหล่านั้นนะบุคคลผู้นั้นย่อมถือว่าได้ทําความเพียรเผากิเลสนะได้ทําความเพียรเผากิเลสแล้วแม้ว่ากาลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือภาวนาในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งสําคัญอยู่ที่การวางใจวางใจให้เป็นวางใจถูกไหมนะไม่ว่าจะทําแล้วก็ตามถ้าวางใจถูก มันก็เป็นภาวนาได้สมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนะก็ใหม่ๆ ท, ท่านยังหนุ่มอยู่ประมาณรักพรรษาท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากแล้วก็ช่วงนั้นท่านก็ไปปฏิบัติกับหลว ง, งปู่กินนรีนะซึ่งเป็นศิษย์ลูกแรกๆของหลวงปู่มัน่น หลวงพ่อชาท่านก็ตั้งใจปฏิบัติมากเดินจงกรมนั่งภาวนาทั้งวันไปถึงดึกทางจงกรมนี่เป็นร่องนะเป็นร่องเลยแต่ว่าพอไปเหลียวดูครูบาจายคือหลวงปู่กินเนลีท่านไม่ค่อยได้เดินจงกรมไม่ค่อยนั่งท่านก็ทำงานของท่านไปหลวงพ่อชาก็นึกในใจว่าขนาดเราเดินมากมายนะ มากมายทั้งวันทั้งคือแบบนี้ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วหลวงปู่กินินริจะรู้อะไรเพราะท่านไม่ได้เดินมากมายอย่างนี้เลยแต่ตอนหลังพอได้ฟังทำอยากท่านมากเข้ามากเข้าก็รู้ว่าหลวงปู่กินิรินี่ท่านมีธรรมะที่ลึกซึ้งมากแต่ว่าท่านก็ยังไม่ยังไม่ยังไ ม, งไม่ก็ยังมีความคิดว่าภาวนานี่มันต้องมันต้องเดินมันต้องนั่งในรูปแบบ ท่านก็พยายามไม่ไม่ไม่อยากจะทําอะไรแต่ก็มีช่วงหนึ่งจีวัท่านขาดจีวันลุยนะท่านก็ต้องจําเป็นต้องเย็บปะชุนจีวั น, นั้นแต่ระหว่างที่ปะชุนจีวัก็รีบทําเพื่อจะได้ไปภาวนาเพรารู้สึกว่าการปะชุนจีวั น, นี่มันมันทำให้เสียเวลาภาวนา บังเอิญหลวงปู่กินเลีเดินผ่านมาเห็นท่าทางเร่งรีบของหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าท่านชาท่านท่านรีบไปเย็บจีวอไปทําอะไรหลวงพ่อชาวบอกว่าจะรีบเย็บจีวอนไปเพื่อไปภาวนาหลวงพ่อหลวงปู่กินเลียก็เลยท้วงว่าเนี่ยเย็บจีวอนเนีก็ภาวนาได้นะก็ดูจิต ด, ดูใจของตัวไง ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้มันทำให้ใจวางใจได้ถูกต้องนี่ขนาดความอยากมันท่วมท่วมหัวท่านท่านยังมองไม่เห็นอีกเหรอความอยากคือความอยากไปภาวนาน่ก็คือว่าตอนที่ป่าชุนนี่ก็ไม่มีสตินะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคิดแต่ว่าจะไปจะไปภาวนาสักทีเลยรีบทาให้เสร็จความความลน มันเกิดขึ้นกับตัวเองยังมองไม่เห็นเนี่ยนี่หลวงปู่กินรีท่านก็พูดทักเอาไว้ก็เป็นบทเรียนสําคัญมากอของหลวงพ่อชาที่ทําให้ท่านได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วการภาวนา น, นี่มันทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะปะเย็บจีวรนะหรือว่าเดินหรือว่าทํางานอย่างที่หลวงปู่กินรีท่านทํา นะอันนั้นท่านก็ภาวานาแต่ว่าเนื่องจากความไม่เข้าใจของหลวงพ่อชาท่านก็เลยนึกว่าเนี่ยมันภาวานามันต้องมันนั่งหรือว่าต้องเดินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการมองว่าภาวานาเป็นเรื่องรูปแบบนะแต่จริงๆภาวานาอยู่ที่ใจนะเราวางใจอย่างไรวางใจเป็นไหมนะไม่ว่าเราจะทําอิริยาบถใดก็เป็นภาวานาไดนะ้อันนี้ก็รวมถึงการ การปฏิบัติที่จะก้าวหน้าด้วยนะเพราะว่าบางคนนะคนสองคนภาวนาภาวนาเหมือนกันสร้างจังหวะเหมือนกันเดินจงกรมเหมือนกันแต่คนนึงทำแล้วเครียดแต่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งทำแล้วตื่นรู้รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะวางใจต่างกันคนที่ทำแล้วเครียดเนี่ยก็ทําด้วยความอยากอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะได้ความสงบนะีไม่ชอบ ความฟุ้งซ่านพยายามไปกดข่มความคิดนะพอพอมีพอวางใจแบบนี้เนี่ยการภาวนากลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะว่าเครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะว่าไปกดข่มความคิดนะพยายามไปควบคุมบังคับจิตนะการทําเช่นนี้เนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยต่อต้านขึ้นมายิ่งยิ่งกดขม่มมันยิ่งต้านมันยิ่งสู้ ยิ่งไม่อยากให้มันคิดมันยิ่งคิดนะเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็ยิ่งอยู่นะแล้วก็จริงๆลําพังแค่ลำแผงลำพังแค่ความรู้สึกไม่ชอบความฟุ้งซ่านแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะแทนที่จะเห็นมันเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยบอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆแทนที่จะเห็นมันแล้วก็ไปไปเล่นงานมันไปกดข่มมัน ไปผลักใสมันเจอความอยากเจอความคิดเกิดขึ้นก็ไปตปบไปกดขม่มไปห้ามบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามทำอย่างนั้นมันก็ต้องเครียดสินะเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเหมือนกับจะไปบังคับมา้าไม่ให้พยดเนี่ยม้าป่ามันพึ่ง ถึงถูกจับได้ใหม่ๆจะบังคับไม่ให้มันปรพยศนี่ยากยิ่งบังคับมันไม่ให้ปรพยชน์มันก็ยิ่งสู้ยิ่งสู้เราก็ยิ่งเหนื่อยนะบางทีคนที่เขารู้จักบังคับม้าป่านี้เขาก็ไม่ไม่สู้กับมันนะมันจะวิ่งก็วิ่งไปก็ขี่บนหลังมันขี่บนหลังมันจนกระทั่งมันมันมันยอมแพ้ไปเองไม่ใช่ไปสู้มันเอาไว้ไม่ใช่ไปสู้ต่อต้านมันเนี่ย แม้บางคนเนี่ยึแม้ว่าจะเดินจองกรมสร้างจังหวะเป็นเป็นวันๆเป็นหรือทั้งกลางคืนแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะได้สติแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าส่วนใหญ่มันหมดไปกับการพยายามที่จะทําตามความอยากถูกให้ความมันปล่อยให้ความอยากครอบงําใจโดยที่ไม่รู้ตัวความอยากนี่มันครอบงําใจยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกนะยังไม่รู้ทั น, นเพราะว่า พาะไม่เฉลียวใจนะไม่เฉลียวใจว่าไอการทำแบบนี้นี่มันเป็นอุปสรรคต่ อ, อการปฏิบัติแต่บางคนทำอาจจะทำไม่มากนะแต่ว่าเขามีเาขาวางจิตไว้ถูกรู้สึกตัวนะเวลาทำอะไรเยันขยับกายก็รูนะ้เวลาคิด ใจเผิดคิดนึกไปก็รู้หรือว่ามันมีความฟุ้งซ่านก็รู้มีนิวรนเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ได้พยายามบังคับผลักไสมันไม่เห็นมันเป็นศัตรูไม่ได้เครียดต่อต้านมันเพียงแค่รู้เฉยๆเพียงแค่รู้หรือเห็นไม่ข้อเป็นแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้มันะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสำคัญนะอยู่ที่การวางใจให้ถูก ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณชั่วโมงที่ที่ทำนะหลวงพ่ อ, ขอเขียมนมาดีท่านก็ใช้คำว่าทำฟรีฟรีนะสร้างจังหวะฟรีฟรคือไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยไม่ได้เลยเลยนะี้ที่คือไม่ได้สติเท่าไหร่อันนี้พอไปติดที่รูปแบบนะอย่าไปติดที่รูปแบบนะคนที่เขาไม่ยกมือเขาอาจจะกําลังปฏิบัติอยู่ก็ได้ เขาอาจจะมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันเวลาคุยเขาก็มีสติรู้ในการคุยไม่พูดพร่ำไม่ปล่อยใจขึ้นลงไปตามเรื่องราวที่ได้ยินเวลาฟังก็มีสติในการฟังก็ได้หรือว่าเวลาเขาทำครัวหั่นผักก็มีสติก็ได้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ยกมืออันนีต้ต้องจับหลักให้ได้ว่าการปฏิบัติ เรื่องธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจเจตนานะอยู่ที่การวางจิตวางใจให้ถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปมุ่งหรือเอาเป็นเอาตายกับรูปแบบหรือว่าการแสดงออกจนลืมหรือมองข้ามเรื่องการวางใจให้ถูกต้อง ในงั้นเนี่ยการปฏิบัติของเรามันจะกลายเป็นความหลงความงงงายหรือเป็นศิลพัตตะ์ปรามาตแบบหนึง่งนะทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยปัญญานะความเข้าใจสิ่งที่เราทําเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลหรือภาวนานี่มันก็เป็นบุญนะเป็นบุญคําว่าบุญเนี่ยภาษาบาลีว่าปุญญะปุญญังท่านเจ้คุณธรรมบิดกท่าน ท่านเปรียบเทียบให้ดีนเปรียบเทียบได้ดีนะบอกว่าปุญญะปุญญังนี่มันใกล้คําว่าปัญญาปุญญะหรือปุญญังกับปัญญานี่มันใกล้กันมากการทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายหรือตัวที่เป็นย่อยก็คือภาวนานไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือว่าเมือ่อจะเป็นบุญเกลียววัตถุศีลก็จะเป็นสุดที่ข้อสุดท้ายคือ ถูกุุฆกรรมที่ตุชุฆกรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาคือการทําความให้ตรงการการเจริญภาวนาทําให้เกิดปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญที่มีความสําคัญสูงสุดและขณะเดียวกันเพราะมีปัญญาเนี่ยแหละที่ทําให้การทําบุญนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาเสียงก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็ หมายความว่าจับหลักให้ได้เข้าใจว่าสาระที่แท้ของการปฏิบัติทางในพุทธศาสนาคืออะไรนะปัญญารวมถึงว่าการทำบุญเนี่ยจุดมุ่งหมายนี่คืออะไรนะไม่ใช่เพื่อได้มากๆแต่เพื่อลเพื่อลดเพื่อละให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่เหลือตัวตนให้ยึดถือเลยไม่มีกิเลส ท, ที่จะมาทาให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไป ถ้าไม่มีปัญญาก็อยากได้มากๆอยากได้มากๆทําบุญเพื่ออยากได้มากๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองโยความสําเร็จก็ตามอันนี้ก็เลยว่าทำทำบุญหรือทําความดีโดยไม่มีปัญญาให้บุญที่ทําก็เลยเป็นบุญที่เป็นหมันเป็นโมคะหรือว่าได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้ามีปัญญาแล้วนี่เป็นตัวกํากับ ก็ทําให้บุญนั้นเป็นบุญที่มีอ น, นิสงส์มากนะแล้วก็เป็นบุญที่นําไปสู่การเพิ่มพูนปัญญามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะใช้ปัญญาในการปฏิบัติด้วยโนะดยพอกการทํเขาเข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติทําให้ถูกต้องอะล่ะคํานี้ก็พอสมควรแก่เวล า, ากรับพัก